สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บาทนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชืดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเรื่องการเป็นขึ้นเหนือความตายทฤษฎีที่สี่พี่น้องครับสามวันที่ผ่านมาแล้วผมได้นําเสนอทฤษฎีต่างๆที่เขาไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นเหนือความตายขออนุญาตทบทวนนะครับทฤษฎีที่หนึ่งก็คือทฤษฎีที่เชื่อว่าพวกสาวกขโมยพระศพไป ทิษฎีที่สองก็คือพระเยซูไม่ได้ส่งสิ้นพระชนจริงๆแค่สลบไปและทิษฎีที่สามเมื่อวานนี้เองนะครับก็พูดถึงเรื่องของการที่พระเยซูนั้นไม่ได้เป็นขึ้นมีความตายจริงๆและพวกสาวกนั้นเกิดอาการประสาทหลอนครับเห็นภาพหลอนในวันนี้เข้าสู่ทิษฎีที่สี่ครับที่เชื่อว่าพ ร, พระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมีความตายนะครับและการที่พวกเขา ได้ไปที่อุโมงนะครับก็คือไปผิดอุโมงนั่นเองเป็นอ้างครับทฤษฎีที่เชื่อว่าพวกผู้หญิงและคนอื่นๆทุกคนไปผิดอุโมงครับก็เป็นทฤษฎีที่น่าน่ากบขันนะครับเพราะว่าคนที่เชื่อทฤษฎีนี้เขเขียนเองครับว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าพวกผู้หญิงแน่ใจได้จริงๆหรือเปล่าว่าเขาไปถูกอุโมงนะครับอุโมง์ซึ่งเขาเห็นโยเซฟอาริมาเทีย ฝังศพพระพเยซูนะครับใกล้ใกล้กรุงเยซูนั้นมีอุโมงค์ฝังศพมากมายครับถ้าไม่ได้สังเกตอย่างดีก็บอกได้ยากครับว่าเป็นอุโมงค์ไหน น, นี่คือสมมติฐานของคนที่ไม่เชื่อนะครับและเขายังพอพูดต่อไปว่าการฝังศพพระพเยซูนะครับน่าสงสัยว่าพวกผู้หญิงก็ไม่ได้อยู่ที่อุโมงค์ไม่ได้อยู่ใกล้อุโมงค์อาจจะเป็นไปได้ว่ามองอยู่แต่ไกลนะครับ ส่วนโยเซฟชาวอิสาเียนั้นก็เป็นผู้แทนของพวกยิวมากกว่าจะเป็นพวกสาวกครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นฝั่งของพวกสาวกนะครับพี่น้องครับเราควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ว่ามีผลพิ i n g e พอหรือเปล่าถ้าเขาไปผิดหูงเหตุการณ์แวดล้อมทุกอย่างจะดูลงตัวนี่คือข้อเสนอของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นไความตายนะครับ เรามาดูข้อโต้แย้งครับในฝ่ายของเราบ้างการที่พวกผู้หญิงไปอุมโมงฝังศพเป็นเหตุการณ์ที่รับการยืนยันมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในพระกัมพีใหม่นะครับเรื่องที่พวกผู้หญิงไ ป, ไปเผชิญหน้าเกี่ยวกับเรื่องการเป็นขีเหนอือความตายเป็นกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มแรกในพระธรรมมัทธิวมารโกลูกายอนพระกิติคุณทั้งสีนะครับ ก็ได้มีการยืนยันอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผู้ผู้หญิงนะครับสังเกตที่บรรจุผสบไว้นะครับและกลับไปที่นั่นหลังจากนั้นไม่ถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงพังกาีมัตทิวนะครับบันทึกอย่างนี้ครับว่าฝ่ายมารีมักดาลากับมารีคนหนึ่งนั้นก็นั่งอยู่ตรงหน้าอุมโมงค์อันนี้อยู่ในมัทธิวยี่1บเ็ดหกสิบ นะครับมาระโกบทที่สิบห้าข้อสีสิบเจ็ดมารีมักดาลาและมารีมานดาของโยเซฟได้เห็นตำบลที่โยเซฟบรรจุพระศพไว้ตำบลก็คือสถานที่ครับตูกายิบสามนะครับก็พูดถึงพวกผู้หญิงได้เห็นอุโมงนะครับและเห็นเขาวางพระศพไว้อย่างไรด้วยพี่น้องครับถามว่าผู้หญิงเหล่านี้หรือ นะครับจะลืมสถานที่ซึ่งผู้เป็นที่รักของเขาถูกฝังไว้เมื่อเจ็สิบสองชั่วโมงก่อนได้ถามว่าลืมหรือเปล่าไม่มีทางครับประเด็นต่อไปก็คือว่าพวกผู้หญิงนั้นแจ้งเหตุการณ์ที่เขาประสบแก่เหล่าสาวโบต่อมาเปโตกับยอนก็ไปที่อุโมงค์และพบว่าอุโมงค์ว่างเปล่าในยอนบทที่ยี่สิบข้อสองหนึ่งข้อที่แปดนะครับเราจะเห็นว่าเปโตนั้นวิ่งมาถึงอุโมงค์ก่อน แล้วก้มแต่ไม่ได้เข้าแต่ยอนนะครับมาถึงทีหลังนะแต่เขาเข้าไปพี่น้องครับสาวกคนที่มาถึงก่อนก็ตามเข้าไปก็คือเปตโตตามเข้าไปด้วยเขาเห็นและเชื่อชัดเจนนะครับประเด็นต่อไปก็คือยิ่งกว่านั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งนั่งอยู่ที่แท่นหินกล่าวว่ามาดูที่ซึ่งพระองค์ได้บัรทมอยู่นั้น คำถามก็คือว่าทวดสวรรค์มาผิดอุโมงได้ด้วยหรือครับถ้ามีทูดสวรรค์จริงและทูดสวรรค์ก็มาผิดอุโมงก็คงเป็นไปไม่ได้และถ้าไม่มีทูดสวรรค์จริงเราก็ต้องเลิกเชื่อพระกัมพีครับเลิกเชื่อพระเจ้าไปละเพราะว่าพระกัมพีเล่มนี้โกหกประเด็นต่อไปครับถ้าพวกผู้หญิงไปผิดอุโมง <c oughs> นะครับสภาเซนเทสตินก็น่าจะไปอุโมงที่ถูกต้องและนำพระศพออกมาครับ แล้วก็สามารถฝิดปากข่าวลือได้ตลอดไปแต่ปรากฏว่าไม่ได้ครับยังไงก็ตามหาพระสพพระเยซูไม่พบจากตรงนี้นี่เองนะครับพี่น้องที่ไปดูหนังภาพยนตร์เรื่องริซอ n นะครับริซอ n ก็จะพบว่าการสอบสวนเกิดจากนายทหารโรมันคนหนึ่งเข้าไปสอบสวนจนกระทั่งในที่สุดแล้วทหารโรมันคนนี้ กได้กลับใจรับเชื่อพระเยซูเนี่อาจจะเป็นเรื่องเล่านะครับจริงหรือเปล่าเท็จอย่างไรไม่มีใครทราบแต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่บันทึกไว้ในพมพีนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิน้นประเด็นต่อไปครับพวกผู้หญิงเหล่าสาววกพวกโรมพวกยิวพากันไปผิดอุโมง์กันทุกคนนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นจริงแล้วเป็นไปได้เลยครับนะครับประเด็นต่อไปก็คือ พวกผู้หญิงนะครับวิ่งกลับมาหาสาวกสาวกก็คงจะทําสิ่งในสิ่งหนึ่งก็คือต้องกลับไปตรวจสอบครับว่าผู้หญิงรายงานจริงหรือเท็จแต่ปรากฏว่าหลังจากเข้าไปตรวจสอบแล้วพวกเขาเริ่มต้นเทศนาสั่งสอนแสดงว่าจริงครับนะครับผมอาจจะไม่มีเวลาอธิบายให้พี่น้องฟังในรายละเอียด แต่พี่น้องลองคิดดูถ้าสาวกไม่รับรู้เรื่องเหตุการณ์เป็นที่มีความตายของพระเยซูเขาจะเทศนาถ่งสอนได้เลยครับเขาจะยอมตายเพื่อสิ่งเหล่านี้เลยครับต่อไปครับทาทีของผู้หญิงที่มาที่อุโมงแต่เช้ามาอย่างมีจุดหมายแน่นอนครับเพราะว่าเขาพวกเขาซื้อเครื่องหอมมาฉลองพระศพพระเยซู ให้สมบูรณ์ตามบัตเพณีจริงๆแล้วนะครับเขาอาจจะไม่รู้ว่าทหารกําลังเฝ้าอยู่มีคําสั่งให้ทหารเฝ้าและมีการประทับตราไม่ให้ใครเคลื่อนย้ายหินเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเข้าไปเจ้าคงจะยากมากนะครับแต่ผู้หญิงที่มีความตั้งใจแบบนี้ครับไม่ใช่คนประเภทที่จะถูกหลอกง่ายครับว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้ว นะครับมีเหตุผลเยอะแยะมากมายครับพี่น้องที่จะบอกว่าพระเยซูได้เป็นขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับพี่น้องครับถามว่าพวกเรามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ที่ว่าพวกผู้หญิงและสาวกไปผิดอุโมงมันเป็นเรื่องที่น่าขบขันมากทีเดียวพี่น้องครับ ทฤษฎีที่ว่าด้วยผู้หญิงไปผิดอุโมงนั้นไม่ได้มีพยานหลักฐานที่ส่งเสริมให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่จริงๆมันเกิดจากความไม่เชื่อความไม่เชื่อว่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินะครับจะเป็นเหตุที่ทำให้อุโมงฝังศพนั้นว่างเปล่าการไม่เชื่อในเหตุการณ์ธรรมชาตินะครับการมีอคติต่อเรื่องอัศจรรย์ทาให้คนไม่เชื่อ เมื่อไม่เชื่อก็ขาดโอกาสที่จะรับพระพรครับพี่น้องครับอยากจะให้เรามีความเชื่อในเรื่องของการอัศจรรย์นะครับพระเจ้าทรงกระทาการอัศจรรย์ได้ในทุกวันนี้เพระเาะฉะนั้นพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้และผมเชื่อว่าการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการกลับใจใหม่การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการบังเกิดใหม่ การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการคืนดีกั บ, ก บ, กบพระเจ้าการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการเข้าส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการรับปรัชชามาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยครับคือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนคนหนึ่งที่ไม่ดีไม่ชอบเลวร้ายเป็นคนบาปมาเป็นคนที่พระเจ้าเห็นว่าชอบธทมถามว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ เกิดขึ้นจากการสิ้นประชนของพระเยซูและการเป็นขั้นใหญ่ความตายของพระเยซูนั่นเองอามีน